หมู่บ้านวังน้ำเขียวนะที่เรามาค้างแรมคืนนี้กคืนที่แล้วก็เป็นหมู่บ้านที่เราเดินผ่านอยู่บ่อยแล้วก็เคยมาดูเพื่อชันเพลง ล่าสุดก็ปี55ก่อนหน้านั้นก็53ก็เคยมาดูแวดพักชันเพลงแต่ว่าการคร้างแรงนี่ครั้งล่าสุดก็เหมือนจะประมาณสิบปีที่แล้วปี48มาค้างแรงกันที่นี่ ถ้าจำไม้ผิดปีนั้นเนี่ยก็มีแววรุ่นสองสามคนมาเดินกับแม่และพ่ออายุประมาณสักสิบห้าสิบหกเดินสองสามเดินกับสองวันแรกนี่เธอก็บนเลยบ่นว่าเหนื่อยบ่นว่าร้อน ก็เลยแนะนำที่จริงแนะนำกว้างๆแนะนำรวมๆอย่างที่บรรยายตอนนี้ก็แนะนำว่าให้วางจิตวางใจให้เป็นเพราะว่าความทุกข์จากการเดินเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากการที่ใจเนี่ย ไปจดจออยู่ที่จุดหมายปลายทางแล้วก็เลยเกิดความทุกข์เพราะว่าใจก็คิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึง mm hmm. ก็เลยแนะนำนะวิธีการที่จะให้ใจเนี่ยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันจะได้ไม่ต้องไปคิดถึงจุดหมายปลายทางแล้วคอยทาให้ทุกข์ พิธีนีก็คือการนับก้าเมื่อใจนี่มาอยู่การนับแต่ละเก้าแต่ละก้าเนี่ยมันก็ไม่มีเวลาที่จะไปจดจ่ออยู่ที่จุดหมายปลายทางแล้วความคิดว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงมันก็เลือนหายไปจากใจก็ไม่มีความทุกข์และความวิตกเกิดขึ้น ที่จิงพอใจเนี่ยมาอยู่กับการนับเก้านแต่ละเก้าแต่ละเก้าเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ไม่ไปยึดติดกับความเจ็บความปวดหรือความร้อนเวลาแดดร้อนเวลาปวดบ่าหรือปวดเท้าเนี่ยถ้าปล่อยใจลอยๆมันก็จะไปปักตรึงอยู่ที่จุดที่ปวดจดจออยู่นั่นแหละแต่พอหา งานให้ติดทำเป็นงานที่ไม่ใช่ทาให้ฟุ่งสร้างต่อไปเช่นพูดคุยกันนี้อันนี้มันก็ไม่มันพิธีการอะไ น, นี้ก็ไม่ค่อยดีหรือปล่อยใจลอยไปท่านนั้นก็อาจจะได้ผลโชคราวประเดี๋ยวมันก็กลับมาอยู่ที่จุดหมายปลายทางก็เกิดความร้องใจขึ้นแต่ท่านนับก้าแล้วนี่ มันจะมีประโยชน์หลายอย่างใจไม่ต้องไปคิดถึงอ น, นาคตแล้วก็ไม่ต้องไปปักตึงจดจ้องอยู่ความเจ็บความปวดหรือบริเวณที่เมือ <c oughs> ก็พูดตอนเช้านะพอถึงเงยน็นเย็นก็มาถึงเนี่ยที่เนี่ยวังน้ำเขียวแล้วก็เป็นมาสุดท้ายของเธอ ก่อนที่เธอจะกลับนะเธอก็มาบอกว่าเดินวันนี้นีดีมากเลยมันไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าเธอนับก้าวนับได้ประมาณหนึ่งมืกว่าก้าวนะเธอก็ยิ้มเล่าด้วยความดีใจว่าเออทำไดนะ้เราทำได้ไอ้ที่รู้สึกว่าร้อนร้อนร้อนเหนื่อยหน่ยเหือยมันไม่มารบ ก, กวนใจเลย เพราะว่าวางใจอย่างที่ว่ามาคือว่านับก้านะอันนี้เป็นแค่วิธีหนึ่งเท่านั้นนะมันมีหลายวิธีที่ถ้าเราลองลอ ง, ลองทำดูจะ่ว่าอย่าประเดียวประดานะต้องทำแบบค่อนข้างต่อนเนื่องสักหน่อยเช่นนับเก้าเนี่ยถ้านับไปแค่ร้อยก้าแล้วเลิกเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเห็นผลหรอกมันต้องนับไปถึงพัน นับไปถึงหมื่นนั่ละจนยาเห็นผลชัดเรื่องเด็กเจ็ด 7, 7ขวบที่เด็กเก้าขวบที่เขาความรสึกก็เปลี่ยนไปหลังจากที่เดินมาที่สามเพราะว่าดูเท้าของคนข้างหน้าจดจ้องอยู่กับเท้าคนข้างหน้านี่ก็เป็นการหางานให้จิตทงแบบหนึง่งจิตมันจะได้ไม่เ้องไปคิดถึงจุดหมายปลายทางว่าเมื่อไรจะถึงเมื่อไหรจะถึง แล้วก็ทำให้ลืมปวดลืมเมื่อยได้ลองพยายามนะพยายามที่จะปิดกั้นโอกาสที่จะไม่ให้ความทุกข์เข้ามาเล่นงานจิตใจที่ผ่านมาเราหนีทุกนะเราหนีทุกถ้าเดินเหนื่อยเราก็เลิกเดินแล้วก็อ่า แวะไปที่อื่นแต่เมื่อเราต้องเดินนะทำยังไงให้ความทุกข์ที่เกิดออกับกายเนี่ยมันจะไม่เข้ามาทิ้นแทงใจงปิดกั้นโอกาสไม่ให้ความทุกข์มันมาเล่นงานจิตใจด้วยการหางานให้จิตทำนะจะเป็นการนับก็ดีจะเป็นการกําหนดจิตที่ลมหายใจก็ดีหรือว่าถ้า ใครที่มีสติดีหน่อยแล้วก็ฝึกให้สตินี่มารู้ทันให้สตินี่มันมารู้ทันใจที่เผลอฟุ้งหรือว่าให้สตินี่มาดูใจเวลามันกระเพื่องเวลามันเกิดความโกรธคุนเคืองเมื่อรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดรู้สึกร้อนถจะอินทรีย์แก่กล้าหนอก็มาดูเวทนา ดูนี่ไม่ได้จ้องนะแต่ว่าเพีนแค่ชำเลืองก็พอแล้วแค่รับรู้เบาๆว่าเออมันมีแต่ว่าไม่เป็นยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเรานะเห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดอันนี้คนที่ปฏิบัติใหม่ๆหรือไม่เคยปฏิบัติก็อาจจะไม่เข้าใจ อย่างแย่ม่บอว่าระหว่างเห็นความโปวดกับเป็นผู้ปวนต่างๆเป็นอย่างไรแต่เห็นไอ้เป็นผู้ปวดเนี่ยก็คือยึดเอาความโปวดว่าเป็นเราเป็นของเราความปวดนี่มันไม่น่ายึดนะแต่ใจมันก็ชอบฉวยชอบยึดมันยึดสารพัดแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ทําความทุกข์ให้กับกายและใจมันก็ยังเป็นยึดที่จริงใจ กายเราเนี่ยนะเวลาเจอความเจอความปวดนี่มันไม่ยึดมันมันรีบทิ้งเลยนะเวลานิ้วเวลามือเราเนี่ยไปถูกของแหลมถูกน้ำถูกกระจกแหลมนี่มันรีบนะรีบมันจะยั้งทันทีเลยหรือไม่ก็รีบดึงข่าวไปดึงนิ้วออกไปเวลามือเรานิ้วเราถูกของร้อนถูกแรวไฟเนี่ยร่างกายมันจะชักนิ้ว กลับออกมาทันทีทันทีเลยนะไม่ต้องให้สมองสั่งนะมันทำงานของมันทันทีจะเป็นความร้อนจะเป็นความจะเป็นไฟจะเป็ น, น้นามแหลมหรือหว่าเศษกระจกนี่แค่ถูกปุ๊บเดียวนี่นะมันรีบดึงกลับทันที น, น, นี่กายแต่ใจที่ตรงข้ามนะ มันยิ่งแบกยิ่งยึดความโกรธความเศร้าความหงุดหงิดขุนเคืองเนี่ยไม่ได้ดีกับใจเลยนะมันก็เหมือนกับไฟชนิดหนึงมันก็เหมือนกับน้ำแหลมอย่างหนึ่งแต่ว่าพอใจมันเจอข้อนี้มันมันจมเลยนะมันยึดเลยครอบเชืออยู่อ่างั้นแหละอันนี้เรียกว่ามันไม่รู้ตัวแต่ถ้ามีสตินะ สติทำให้รู้ตัวเกิดสปปรรพชัญญาขึ้นมามันก็วางมันก็รีบสลัดหรือว่าพาจิตออกมาอันนี้แหละเป็นภูมิคุ้ม ก, กันจิตแบบอย่างหนึ่งนะที่เราควรจะมีถ้ามีแล้วนี่จิตจะไม่เปิดช่องว่างให้กับความทุกข์ความโศกความเศร้าความรับแค้น มาเร่งงานจิตใจได้เลยอันนี้เราเป็นการปิดช่องไม่ให้ความทุกข์เข้ามาทำร้ายจิตใจแต่นอกจากปิดกั้นความทุกข์แม่เข้ามาแล้วนะควรจะรู้จักเปิดให้ความสุขนะหรือว่าสิ่งดีๆเข้ามาในจิตใจเราด้วยสิ่งดีๆในที่นี้ก็หมายถึงอารมณ์ที่เป็นกุศล น, นะ เปิดช่องให้เข้าเข้ามาในใจเราเพราะถ้าเข้าเข้ามาแล้วเนี่ยใจเราจะเป็นสุขนะยกตัยง่ง่ายๆเวลาเราเดินเนี่ยแทนที่เราจะเอาแต่บนบนนะหรือว่าโวยวายตีโพยตี พ, ยตพยตายข้างในว่าหงุดหงิด น, นะเราลองทำใจให้รู้สึกสำนึกในบุญคุณของสิ่งต่างๆที่ เราได้ผ่านพบระหว่างทางเช่นเวลาเดินผ่านร่มเงาของต้นไม้ก็ขอบคุณขขอบคุณต้นไม้ที่ให้ร่มเงาแก่เราแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆช่วงไหนที่มีเมฆนะบทบางแสงอาทิตยนะ์ทำให้เกิดร่มเงานะแผ่กว้าง เราก็ขอบคุณขอบคุณแม่ที่ให้ร่มเงาแก่เราขอบคุณชาวบ้านที่หาน้ำมาให้เราอาจจะขอบคุณดอกไม้นะที่บานกลางแดดนะเหมือนกับว่าจะให้กำลังใจเรามันจะมี สิ่งต่างๆที่จะช่วนให้เราเนี่ยรู้สึกสำนึกในบุญคุณให้ความสำเนึกบุญคุณหรือความประทันยูเนี่ยมันก็เป็นกุศลธรรมนะเมื่อมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยใจเราจะเป็นสุขมันตรงเข้าความเปลียดความโกรธหรือความกลัวเกิดขึ้นที่ลายใจนี่ก็เป็นทุกข์ ล, ลองสังเกตลองสอดส่ายดูแล้วเราจะพบว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะขอบคุณได้ที่ดีแม้ทั่ทททงแสงอาทิตย์เนี่ยนะหรือดวงอาทิตย์เนี่ยนะเราก็ควรจะน้อมใจนะสำนึกในบุญคุณหรือขอบคุณเขา <c oughs> ไม่ใช่ขอบคุณที่ทำให้มีอาหารทาให้มี อะไรต่ออะไรมากมายที่ทำให้ชีวิต อ, อยู่ได้เราคงรู้นะว่าถ้าไม่มีแสงอาทิตย์นี่มันชีวิตนีมันเรีว่าอยู่ไม่ได้เลยไหนๆ ไ, ไ, ไม่ใช่เพียงแค่จะไม่มีอาหารจากพืชหรือแม้ทั้งจากสัตว์นมกะทั่งดินฟ้ า, าอากาศแปลกปวนใช่มมันหนาวมากหนาวมากจนอยู่ไม่ได้จนต้องตาย แต่ ว, ว่าแสงที่ยังควรเป็นสิ่งที่เราสำนึกในบุญคุณเพราะว่าเขามาเป็นครูสอนเรานะครูสอนให้เรามีความเข้มแข็งอดทนหรือว่าสอนให้เราได้เรียนรู้วิธีการปล่อยวางความทุกข์มาช่วยฝึกสติให้กับเรา แต่ใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังขอบคุณนะดวงอาทิตย์ไม่ได้นะโดยเฉพาะเวลาเดินกลางวันแดดร้อนๆแต่ว่ามันก็มีหลายอย่างที่เราสามารถจะรู้สึกสำแในบุญคุณได้อาที่ว่ามาเช่นร่มเงาของต้นไม้รวมทั้งสายลมที่พัดมาขับไล่ความร้อนไปจากร่างกายของเราอาจจะขอบคุณ ถนนเส้นทางที่ทําให้เราเดินได้อย่างสบายๆ mm hmm. พยายามเปิดใจให้ความรู้สึกดีๆแบบนี้เข้ามาอยู่ในหัวใจเรามันจะช่วยทําให้เรามีเรี่ยวมีแรงมีกําลังใจเพราะว่าสิ่งๆเนี้ทําให้เกิดความสุขเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆระหว่างทางความสุกดีๆเนี่ยนอกจากความสําเร็จบุญคุณแล้วเนี่ยอาจจะลมถึงความเมตตาก็ได้ ความรู้สึกเมตตาต่อสิ่งต่างๆหรือความสึกดีต่อสิ่งที่มาเกิดขึ้นกับเราการที่จะโกรธจะเกลียดเขานะก็มองเขาในแง่บวกแง่ดีกานที่จะกลัวเขานะก็มองว่าเขาเป็นของที่นะวิเศษมีพี่อยู่คนนี้จะเป็นมะเร็ง แล้วก็มะเร็งของเธอเนี่ยมันต้องใช้การรักษาระดับที่เข้มข้นก็คือต้องไม่ว่าเป็นการฉายแสงก็ดีการฉีดเคมีก็ดีต้องใช้โดสที่สูงมากซึ่งคนส่วนใหญ่พอเจอแล้วนี่ก็แพ้มีการแพ้อย่างหนักเก่ยนจะทนไม่ไหวเลย แต่ว่าพยุงคนนี้ซื้อเป็นหัวหน้าพยาบาลไม่มีอาการแพ้หรือแพ้น้อยมากนะแม้ว่าจะเจ อ, อโดสสูงๆนะของดังสีแล้วก็เคมีถ้าคนก็สงสัยว่าเธอมีอะไรดีหรือถึงไม่ค่อยแพ้เท่าไหร่เธอก็บอกไม่มีอะไรดีนะไม่ได้มีของดีอะไร เพียงแต่ว่าเวลาฉายแสงนี่เธอก็กำลังคิดว่าเธอก็นึกในใจว่ากําลังได้รับแสงสวรรค์เวลารับเคมีเธอก็นึกว่าเธอกำลังได้รับน้ําทิพย์ไอความรู้สึกดีๆหรือการมองนะเคมีและหลังสีเนะี่ยว่ามันเหมือนกับน้ําทิพย์แสงสวรางเนี่ยมันทําให้ใจเธอเนี่ยไม่เป็นทุกข์ไม่มีความกลัว ทำให้ใจเธอยอมรับสิ่งเหล่านี้ได้พอใจยอมรับได้การมัก็เลยยอมรับไปไปด้วยโดยปริยายพอใจกับกายมันก็ไปด้วยกันพอใจกลัวใจปฏิเสธกายมันก็ปฏิเสธนะพอใจยอมรับกายมันก็ยอมรับเนยะหรือว่าต่อต้านน้อยเพราะฉะนั้นเธอก็เลยไม่เคยมีอาการแพ้มากเท่าไหร่ อันนี้ก็เรียกว่ารู้จักมองมองมันแต่ว่ามองมองบวกก็ได้นะแต่ว่าการมองแบบนี้มันทําให้เธอเกิดความรู้สึกดีๆต่อสิ่งที่ได้รักหรือว่าสิ่งที่เกิดกับเธอแม้แต่ตัวความเจ็บความป่วยเองก็เหมือนกันนะถ้าว่าเราไปโกรธเกลียดมันจะไม่ใช่แค่ทุกข์กายเดียวจะทุกข์ใจด้วย แล้วทุกใจมันหนักหนากว่าทุกกายเยอะทุกกายเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยพอทนไหวแต่ทุกทุกใจแล้วเนี่ยมันมันพราบเลยกระสับกระสายทุรนทุรายมีผู้หญงคนหน่งก็เป็นโลคสัะเก็ดเงินสะเก็ดเงินไปโรคเรื้อรันนิดหนึ่งที่แรงมากแล้วเธอก็ปวด แต่เธอก็ไม่ได้ใช้ยาระงับปวดเท่าไหร่อาการเธอหนักจนกรทังต้องนอนอยู่กับนอนบนใบตองนี่นะเพราะว่ามันมีน้ำเหลือมีอะไรหลายถ้าไปนอนบนผ้านี่จะปวดเวลาลุกขึ้นแต่เธอก็ทนได้แล้ว่าใช้ยาระงับปวดน้อยเธอทำอย่างไรนะเธอบอกว่า ก็คุยกับสะเกตเงินอยู่เสมอโนะดยพ่อเวลาไปทําบุญเธอก็บอกว่าเนี่ยสะเกตเงินนะถ้าเธอจะไปก็รับส่วนบุญฉันไปด้วยนะแต่ถ้าเธอจะอยู่เธอก็ต้องระวังนะเพราะว่ายาที่ฉันกินมันแรงนะเธออาจจะตายได้นะพูก้ก็สังเกตเงินด้วยความเมตตานะไม่ได้มีน้ําเสียงหรือความรู้สึกโกรธเกลียด นะสังเกตเงินเลย้ความรู้สึกที่เมตตาเนี่ยนะหรือว่าปรารถนาดีเนี่ยมันเป็นกุศลธรรมนะพอมันเกิดขึ้นกับใจเราเนี่ยเราก็จะมีความสุขนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราไม่อยากจะเป็นทุกข์นะ ไม่ว่าในระหว่างการเดินหรือว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องพยายามเปิดใจให้กุศลธรรมเข้ามานะอยู่ในหัวใจเราให้มากๆไม่าจะเป็นความรู้สึกสำนึกในบุญคุณหรือว่าการมองเห็นเขาในแง่ดบีมีความปรารถนาดีกับเขานะแล้วก็จะระหว่างที่เราเดินไปล้วก็นะ เวลาเจอแต่เธอก็ลองคิดแบบนี้บ้างว่าเรากำลังได้รับแสงสว่างนะลองคิดแบบนี้บ้างนะหรือว่ากำลังได้รับแสงที่ธรรมชาติได้ประทานให้กับเรานะเพื่อทำให้เรามีความเข้มแข็งแสงเนี่ยหรือความร้อนนี่มันมีประโยชน์นะ มันมีลิฟมันมีความสามารถในการแปลเปลี่ยนนะผลไม้เนี่ยถ้ามันไม่โดนแดดไม่โดนความร้อนนะมันก็ไม่สุกไม่หอมไม่หวานนะไม่อร่อยข้าวเนี่ยถ้ามันไม่โจอความร้อนนะ ก, กินไม่ได้นะ มันก็เป็นข้าวดิบมันไม่สุกสักทีไม่มีใครที่กินข้าวดิบกันนะเรกินข้าวสุกกันแป้งเนี่ยทําันไม่เจอความร้อนมันไม่กลายเป็นขนมปังที่หอมหวานอร่อยเหล็กเนี่ยทําันไม่เจอความร้อนแรงๆมันก็ไม่กลายเป็นเหล็กกล้าเหล็กแกล่งชั้นดีนะแ้าความร้อนมันเปลี่ยนนะ มันมีการมันมีคุณสมบัติในการเปลี่ยนนะให้เกิดคุณภาพใหม่ความเปลี่ยนแปลงนี้เมื่อเกิดกับคนเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นคนสุกนะคนดิบเนี่ยนะก็คือคนที่ยังขาดการอบและ ก, การรมนะอบรมเนี่ยมันก็มาจากคำว่าอบแล้วก็รมร้อนทั้งนั้นแหละทั้งอบทั้งรมเนี่ย คนดึกเนี่ยนะมาอบรมก็จะกลายเป็นคนสุขบางทกีก็หมายถึงคนที่มาบวชพระนะมาบวชพระนี่ผ่านการอบการรมการเคี่ยวการกรำก็กลายเป็นคนสุขนะสามารถจะเป็นผู้นําครอบครัวหรือว่ า, าแต่งงานไดน้นี่ก็เป็นความเชื่อคนไทยใช้คำว่าอบรมเนี่ยมันเชื่อเห็นเลยนะว่า ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้นี่มันต้องผ่านการเคียวการกรัมหรือว่าการความร้อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะให้เรานึกเสือว่าเนี่ยเรากราลังมาผ่านการอบรมและแสงแดดเหล่านี้แหละนะแล้วก็มาเป็นส่วนนะในการช่วยนะทำให้เราเนี่ยเข้มแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่ทั้งร่างกาย ไม่ใช่แค่จิตใจไม่ใช่แค่ขันตีความอดทนนะั้นแต่ว่ารวมถึงปัญญาด้วยเมื่อกี้เราสวด น, นะมงคลสูารก็มีประโยคนึงมีวลีนึงบอกว่าความเพียนเผากิเลส น, นะเป็นมงคลอันสูงสุดนะภาษาบาลีคือตะโจกักตะโปนนี่ก็ ทำเดียวลาดเดียวกับตำบาสนะตะบาสเราเคยดีนะครัว่าบำเพ็ญตำบาสนะการบำเพ็ญตำบาสนี่นะเรามีความเชื่อว่าทําให้เกิดลิบหรือสีบำเพ็ญตำบาสนะก็ทําให้เกิดลิบหรือบางทีพระอินก็มาให้พรพิเศษนะตำบาสนี่มันก็มีความหมายในความร้อนนะ เป็นความร้อนผ่านการเคี่ยวการคลำการอบการรมแต่ไม่ใช่ใครมาอบรมให้ทําเองนะอบรมจิตนะด้วยการทําความเพียรอันนี้ก็เรียกว่าเป็นตบะแต่ว่ามันเป็นความเชื่อแบบฮินดูนั่นแหลพร้อมเป็นพุทธเนี่ยนะตบะนี่มันเปลี่ยนเป็นความเพียรนะไม่ใช่การเผาแต่ว่าเพียรก็ได้ถ้าเป็นการเผาพิีเล็ก วความร้อนเนี่ยมันช่วยเผากิเลสได้นะเวลาเราเดินเนี่ยเจอความร้อนเนี่ยมันแล้วเราไม่ทอ้อไม่ถอยมันก็เผากิเลสมันเกณนมันเป็นการบาเพ็ญตบะอย่างหนึง่งซึ่งก็ทำให้เกิดฤทธิ์ได้เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ฤทธิ์ที่จะไปเปลี่ยนสิ่งภายนอกนะแต่มันเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจข้างในฤทธินะ์ที่ไปเปลี่ยนไปโดนบันดาล สิ่งภายนอกนะนะเนี่ยนะเปลี่ยนฝุ่นให้เป็นทองนะไอ้แบบนี้นี่มันเป็นฤทธิ์ที่ไม่ได้ช่วยทำให้ความทุกข์ลดลงไอ้ทาให้ความทุกข์เพิ่มมากขึ้นเพราะทำให้เกิดขินเลนะแต่ฤทธิ์ที่เปลี่ยนจิตเป็นใจนี่เลยนะให้สำคัญกว่าเช่นแม้ว่าแต่จะร้อนกายจะเหนื่อยนะแต่ว่าใจเนี่ย ใจน่เย็นอันนี้ก็เป็นฤทธิ์อย่างหนึ่งนะแล้วก็มันดีด้วยนะถ้าเรารู้จักนะบเพ็ญตะบะนะอย่างถูกวิธีนะโดยเพราะการบำเพ็ญภาวนาะอบรมจิตใจเนี่ยมันทำให้ใจเรามีฤทธิ์นะ เจอเหตุร้ายยางไรก็สามารถเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีไดนะ้เจอทุกอย่างไรก็เปลี่ยนทุกทุกให้กลายเป็นสุขได้หรือสามารถจะมีตาทิพย์เห็นสุขข้ามการความทุกข์นะ้พระเจ้าตรัสว่าผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบนะแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบหรือว่า อย่างน้อยๆเนี่ยแม้เจอแม้เจ อ, เจอทุกข์นะแต่ว่าใจไม่ทุกข์นะเมื่อวานที่จะพูดถึงหลวงปู่บุตรดานะก็มีเกิดอีกตอนหนึ่งท่านไปได้รับนิมนต์ไปฉันในงานทำบุญบ้านก็มีพระร่วมคณะไปกับท่านเนี่ยหลายรูปส่วนใหญ่ก็เป็นพระหนุ่มแล้วก็ ทั้งหมดนี่ก็เป็นพระที่อายุน้อยกว่าท่านทั้งนั้นเพราะว่าท่านชราแล้วตอนนั้นเจ็ดสิบแปดสิบล้วเนือจะเก้าสิบแล้วได้ซ้ำปรกฏว่าอาหารเช้าวันนั้เนี่ยมันเป็นพิษพระว่าอาเจียนันเรีว่าทั้งคณะเลยและส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเนี่ยก็อาเจียนจนหมดแรงนอนนอนหมดแรงหมดสภาพ เพราะอาหารเป็นพิษอย่างหนักหลวงปู่ท่านก็โดนด้วยนะอาหารเป็นพิษแต่ท่านก็ยังนั่งคุยกับโยมได้ท่านบอกคุยให้กำลังใจเพระโยมเน่ยเสียขวัญนนะีน่มนุ์พระมาะแล้วก็เจอแบบนี้รู้สึกผิดนะก็คุยให้กำลังใจคุยคุยกับโยมไปสักพักก็จะอาเจียนท่า น, นก็เอากระโถนมาแล้วอาเจียนเก็บกระโถนเสร็จก็คุยต่อ มันตรงข้ามกับพระรูปนอื่นเลยคนก็แปลกใจหลวงพ่อท่านกิดอธิบายว่าในก็ร่างกายคนลำก็สัต่ว่านะมันประกอบไปด้วยธาตุสี่นะั่พอมันเจอยาเบื่อยาเมามันก็เป็นอย่างนี้แหละ อ, อาเจียนหมดแรงแต่ว่าจิตใจหลวงปูนี่มันมันไม่ได้โดนยาเบื่อยาเมาะนะ มันก็เลยไม่ได้ทุกข์อะไรเยอะท่านบอกอย่ามาปากปนกันไอ้ที่โดนยาเบื่อนี่ยคือกายนะแตใจไม่ได้โดนด้วยเพราะฉะนั้นก็ยังยังสามารถคุยกับญาติโยมได้อ้วกก็ยังอ้วกอยู่อาเจียนก็ยังอาเจียนอยู่นะเพราะในเรื่องของกายนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์เพอใจไม่ทุกข์แล้วเนี่ยทำให้มีเรี่ยวมีแรงนะคุยกับโยมได้แต่พอใจทุกข์แล้วเนี่ย พ, พรารคล้อยตามกายนะไปยึดเอาความปวด ความทุกข์ของกายมาเป็นของใจหรือไปยึดว่าเป็นของกูเนี่ยมันก็หมดแรงเท่านั้ น, นแหละนี่เรีย่าหลวงปู่ท่านก็มีฤทธิ์นะมีฤทธิ์เหมือนกันแต่เป็นฤทธิ์ที่ไม่ได้กระทํากับสิ่งอื่นนะกระทํากับใจก็คือว่าใจไม่ได้ทุกนะแต่ว่าแม่กายมันจะทุกแต่ใจไม่ทุกอาตมาว่าฤทธิ์แบบมี้วิเศษกว่านะประเสริฐกว่าเพราะมันแก้ทุกได้จริงๆ อันที่เรามาเดินกันเนี่ยนะถึงแม้ว่าหลายคนจะบอกทำไมมาเดินลำบากนะทำไมไม่ไปหาที่สบายนก็เพราะว่าเรากำลังมาทำความเพียรเผากิเลสเรากำลังมาบำเพ็ญตะบะห์เพื่อที่เราจะได้เกิดลิฟท์นะที่มันช่วยทำให้แก้ทุกข์อย่างแท้จริง แต่การเป็ น, ปนต์บะนี่อย่างที่บอกนะมันไม่ได้ใช้ความอดความอึดอย่างเดียวเท่านั้นนะไอ้ความอดความอึดนี่ก็อดทนหรือความอึดนี่ก็สําคัญนะแต่ว่ามันต้องฝึกอย่างอื่นด้วยนะอย่างที่อย่างที่พูดไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยเช่นการวางใจให้เป็นปิดโอกาสไม่ให้ความทุกข์มาเล่นงานจิตใจแล้วก็เปิดช่องให้สิ่งดีๆอารมณ์ที่เป็นกุศลเข้ามาอยู่ในใจเรา เพราะสิ่งเหล่านี้แหละมันจะทำให้เกิดความสุขที่ช่วยหล่อเลี้ยงใจหรือทำให้เรามีเรื่องมีแรงนะต่อสู้กับอุปสรรคได้ถ้าเราอดทนอย่างเดียวแต่ไม่มีความสุขหรือกุศลธรรมเป็นตัวหล่อเลี้ยงจิตใจมันก็ไปได้ไม่ตลอดนะแต่ทำอะไรก็ต้องมีตัวนี้หล่อเลี้ยงนะคือความสุขหรือกุศลธรรมอาจจะเป็น และสิ่งที่จะช่วยทําให้กุศลธรรมเกิดขึ้นได้นั่นคือสติและสมาธินะรวมทั้งปัญญาด้วยอย่างกรรยิรงปูงบุญดานี่ท่านถ้ามีปัญญาเห็นนะว่าไอท้ที่ไอท้ที่ไอ้ที่ปวดเนี่ยมันเป็นกายปวดนะไม่ใช่เราปวดมันไม่มีเราตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเราปวดไม่มีนคนที่มีปัญญาก็ยังคิดว่ามีเรามีกูมีฉัน เพราะนั้นขอปวดก็ไม่ใช่กายปวดอย่างเดียวกูปวดด้วยกูปวยกูปวดแต่ท่านเห็นมีปัญญาเห็นความจริงว่ามันมีแต่กายกับใจไม่มีกูไม่มีเราเพราะฉะนั้นเมื่อกายปวดก็ปเป็นเรื่องของกายไปใจก็เพียงแค่รับรู้เฉยๆนะแต่ว่าไม่ได้ปวดไปตามกายอันนี้เพราะว่าเกิดปัญญาเห็นความจริงแต่ถ้าเรายังมองไม่เห็นนะก็ใช้ ใช้ธรรมะตัวอื่นนะสติก็ดีสมาธิก็ดีหรือว่าการมองการมองที่เป็นกุศลหรือว่าเป็นการมองที่เรากุศลเรียกว่าโยนิโสมนัสิกามองเพื่อให้เกิดเอาสิ่งดีๆขึ้นมาในใจเราซึ่งมีเยอะแยะนะที่พูดมาวันนี้ก็เป็นงแค่ส่วนหนึ่งนะเมื่อวานนี้ก็ได้พูดให้เราเนี่ย นะนำว่าให้เรายอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นทางมันจะกลายแด่มันจะร้อนยอมรับมันซะอย่าไปบน่นอย่าไปปฏิเสธอย่าไปข่าวใสอย่าไปโวยวายตีโพดตีพายวันนี้ก็อยองใหญ่ให้เราลองนะเออลองทำความรู้สึกดีๆกับสิ่งที่เราเห็นขอบคุณเมฆขอบคุณร่มไม้ขอบคุณชาวบ้านที่ให้น้ําขอบคุณเส้นทางนะที่ ทอให้เราเดินได้อย่างสะดวกและต่อไปก็ขอบคุณดวงอาทิตย์ขอบคุณแสงแดด น, นะที่มาช่วยทำให้การาบาเพ็ญตบะของเราเนี่ยเกิดขึ้นได้รือเกิดขึ้นเป็นจริงนะที่ช่วยทาให้อ่าเกิดนะแสงชิดที่จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของเราให้มีคุณภาพใหม่เปลี่ยนเราให้กาย เป็นคนที่นะแ่งแล้วก็มีคุณภาพยิ่งกว่าเดิมเอาราชาตินี้ก็เพิ่เท่านี้นะครับครับ